Thank you. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักในโอกาสที่จะใกล้ถึงวันแม่ในปีนี้ดิฉันขอนำเสนอบทธรรมของท่านปียาโสพลแห่งวัดพระรามเก้าการนาพิเศษมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าอ้อมกอดแม่ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ให้ข้อธรรมเกี่ยวกับความรักของแม่และลูกที่มีต่อกัน ในยามวิกฤตของสังคมปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังกันเลยนะคะ ในสังคมที่วิกฤตเศรษฐกิจเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินชีวิตใหม่พยายามตั้งสติให้ดีต้องกล้าบอกตัวเองว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรเราไม่ได้ยากจนค้นแค้นเรายังไม่ถึงกับอดอยากเรายังมีทุกอย่างที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต เราอาจสูญเสียบางอย่างไปแต่ก็เป็นเพียงส่วนเกินที่เราได้มาเราอาจคิดว่าเราสูญเสียทุกอย่างสูญสิ้นทรัพย์สมบัติซิ้นเนื้อประดาตัวแต่ความจริงเราไม่ได้สูญเสียอะไรเราเพียงเสียส่วนที่เรามีเกินพอดีเท่านั้นเราจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการยึดครอง แล้วหันมามองสภาพอันแท้จริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราว่าเหตุการณ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเลยเรารู้สึกเป็นทุกข์เศร้าใจและเสียใจเพราะการสูญเสียแต่เราไม่คิดว่าเรายังมีอยู่มีกินมีทรัพย์สินบางส่วนที่ยังพอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เรามีมากกว่า หากเปรียบเทียบกับคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ด้โอกาสกว่าเราหลายร้อยเท่าเขาไม่มีเครื่องประกันชีวิตไม่มีเครื่องประกันว่าพรุ่งนี้จะไม่อดตายแต่ว่าตายก็ตายฟรีโดยไม่มีที่จะให้พึ่งพาอาศัยสำหรับเราถ้าจะต้องตายไปจริงๆก็จะไม่มีใครปล่อยให้ตาย เรายังมีสถานที่พอจะพึ่งพาอาศัยได้ในเมื่อยามยากของชีวิตมาถึงสังคมบ้านเรายังไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นความจริงมนุษย์เราเป็นทุกข์เพราะรู้สึกว่าส่วนเกอนหายไปต่างหากไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะกินแต่เพราะไม่มีจะใช้ฟุ่มเฟือยได้อย่างเดิมต่างหาก เราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้และหันมายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมให้ได้หัดหวังแต่พอดีกินแต่พอดีเป็นอยู่ให้พอดีแล้วเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นชีวิตณวันนี้แม้ว่าเราจะสูญสิ้นทรัพย์สินมากมายแต่เราก็ไม่ได้อดตายเรามิได้อะไรที่พักพิง เรายังมีที่พึ่งพาอาศัยเพียงแต่อาจจะไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรจะเป็นเช่นเมื่อก่อนขอให้เราปรับเปลี่ยนแนวความคิดแนวการดำเนินชีวิตเสียใหม่อย่าเมื่อชีวิตขาดสตางเราต้องตั้งสติให้ได้ต้องหาสติให้เจอมิฉะนั้นเราจะเป็นทุกข์มากอาจทุกขกว่าคนที่จนกว่าเราหลายร้อยเท่า มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันครอบครัวของเศรษฐีพันล้านแต่ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนเงินมหาศาลต้องสูญหายไปในปรพริบตาเพราะพิษของเงินบาทลอยตัวสามีเสียชีวิตลงลูกสองคนกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศเธอรู้สึกว่าวุ่นและเป็นทุกข์มาก กระทั่งต้องเข้านอนโรงพยาบาลเธอคิดมากกังวลว่าลูกจะมีปมด้อยลูกจะอยู่ในสังคมได้อย่างไรเมื่อขาดพ่อและขาดเงินเพราะลำพังเธอเองนั้นเธอไม่หว่นไหวแต่ห่วงใยลูกรักเธอคิดว่าชีวิตของเธอมีเพื่อลูกเงินทองที่หามาได้ ก็หวังว่าจะเป็นทุนร้อนให้ลูกในวันข้างหน้าความอุดมสมบูรณ์ที่ครอบครัวของเธอเคยได้รับมาแต่ก่อนนั้นอาจจะทำให้ลูกของเธอทำใจลำบากเมื่อวันนี้ไม่เป็นเช่นวันก่อนลูกรักทั้งสองเมื่อทราบข่าวว่าแม่เข้าโรงพยาบาลและไม่ได้สติจึงบินมาจากต่างประเทศเพื่อเยี่ยมอาการของแม่ ทั้งสองตกใจมากนึกไม่ถึงว่าอาการของแม่จะหนักขนาดนี้แม่เอาแต่ร้องไห้แต่การร้องไห้ของเธอเป็นการร้องไห้ที่ไม่มีเสียงร้องปรากฏจะเห็นก็เพียงแต่น้ำตาที่ไหลพรากพลั่งปรูอับแก้มทั้งสองข้างอยู่ตลอดเวลาเธออยู่ในอาการเหมอรอยและน่าสงสารมากเพื่อนเพื่อนทุกคนจึงพยายาม ธนุถนอมดวงใจของเธอเอาไว้พยายามจับมือให้แน่นและพูดคุยให้กำลังใจเมื่อลูกมาถึงก็รีบเข้าไปหาแม่ทันทีลูกชายจับมือซ้ายของแม่แน่นขณะที่ลูกสาวจับมือขวาพร้อมกับกระซิบข้างหูเบาๆว่าลูกมาหาแม่แล้วค่ะ เธอลืมตาขึ้นมองหน้าลูกด้วยความดีใจแม่เสียใจที่ต้องทำให้ลูกรักลำบากเธอกล่าวขณะตายยังหลับแม่ทำดีที่สุดแล้วครับแม่ให้ชีวิตแก่ลูกทั้งสองและแม่ประคองเลี้ยงจนเติบโตลูกชายพูดเงินทองที่เรามีอยู่หมดไปแล้วนะลูกเธอพูดพร้อมน้ำตา เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ครับแม่ลูกชายพูดปลอบโยนลูกไม่มีปมด้อยใช่ไหมที่จะต้องอยู่ในสังคมโดยไม่เท่าเทียมกับคนอื่นเช่นแต่ก่อนเธอถามลูกลูกไม่เสียใจหรอกแม่ลูกภูมิใจต่างหากลูกยืนยันหนักแน่นแม่ทำใจให้ดีนะ ลูกสาวพูดเราไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะเรายังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างเป็นของได้มาภายหลังมีชีวิตทั้งนั้นวันนี้เราไม่ได้สูญเสียอะไรไปเราเพียงแต่สูญเสียส่วนที่เป็นกำไรของชีวิตไปเท่านั้นเรายังมีชีวิตอยู่ต้นทุนเรายังอยู่นั่นคือชีวิตเรายังมีอยู่ไงล่ะคะแม่ พูดของลูกสาวได้ให้สติกแก่แม่ของเธอเป็นอย่างมากเธอผงกศีรษะรับและลุกขึ้นมานั่งบนเตียงขนไข้เธอโอบ ก, กอดลูกสาวลูกชายด้วยความรักเธอไม่คิดว่าจะได้รับฟังถ้อยคำอันไพเราะหนักแน่นจากปากของลูกเช่นนี้เธอดีใจที่วันนี้เลือด ก, ก้อนหนึ่งของเธอเติบใหญ่ด้วยสติปัญญาจริง มิใช่เพียงรูปร่างที่งดงามเท่านั้นลูกสาวของเธอทั้งสวยทั้งเก่งลูกรักเธอพูดพร้อมกับกอดลูกทั้งสองซบไว้ที่หน้าอกลูกสัญญากับแม่นะว่าลูกจะไม่รู้สึกมีปมด้อยไม่เสียใจไม่เป็นทุกข์อะไรกำลังใจของลูกเพียงพอที่จะเผชิญภัยเศรษฐกิจได้ ถ้าลูกให้ํำมั่นสัญญากับแม่แม่ก็จะสบายใจลูกรักของแม่เธอพูดต่อไปชีวิตเป็นของไม่แน่นอนลูกแม่ต้องอดทนและเข้มแข็งถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียพ่อเสียทรัพย์แต่แม่ก็ภูมิใจที่มีลูกรักอยู่เคียงข้างและยิ่งกว่านั้นแม่มีกำลังใจ เมื่อรู้ว่าลูกรักของแม่ไม่มีปมด้อยใดในชีวิตแม่ครับลูกชายพูดพร้อมกับโอกก่อนแม่อยู่ข้างเตียงผมจะเป็นลูกที่ดีของแม่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้จบและทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นตัวแทนของพ่อและบูชาความดีของแม่ผมจะเป็นกำลังใจให้แม่ อยากให้แม่สบายใจอยากเห็นรอยยิ้มอันงดงามของแม่แม่ให้ผมได้ใช่ไหมครับเธอค่อยๆ ย, ยิ้มให้กับลูกเป็นยิ้มที่งดงามเธออกกอดลูกทั้งสองอย่างเปี่ยมล้นด้วยความรักเธอทราบดีว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งความสุขเป็นเวลาที่เธอปลื้มปิติมากที่สุดเธอภูมิใจในสติปัญญาของลูกรัก ที่ไม่สะทกสะทานหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องสาหัสเพียงใดก็ตามจริงๆนะแม่ลูกชายพูดขึ้นพร้อมกับจ้องมองไปที่ดวงหน้าของแม่แล้วพูดต่อรอยยิ้มของแม่สวยงามรอยยิ้มของแม่อ่อนโยนรอยยิ้มของแม่สว่างสววันนี้แม่สวยมากเลยครับ คำพูดเพียงไม่กี่ประโยคได้เป็นประหนึ่งทิพยพยาโอสดปลอบประโลมใจของเธอให้หายจากความทุกโศกที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกอบอุ่นและมั่นคงเธอมีกำลังใจขึ้นมากในยามนี้แม่ไม่ต้องห่วงนะคะลูกสาวพูดแม่ห่วงมากลูกห่วงว่าลูกจะไม่เท่าเทียมใครอื่นเหมือนแต่ก่อนแม่พูด เราไม่ได้อดโซนนะคะแม่เรามีบ้านอยู่เรามีข้าวกินเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกสบายหลายอย่างเพียบพร้อมซึ่งคนอื่นจำนวนไม่น้อยหามไม่ได้เวลานี้เรากำลังทุกเพราะความคิดวิตกกังวลเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เรามีไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีแม่อย่าห่วงนะคะ แม่ต้องทำใจให้เข้มแข็งวันนี้เป็นวันของแม่ลูกของแม่อยู่ที่นี่อยู่กับแม่อยู่เคียงข้างแม่แม่ทำใจให้สบายลูกของแม่อยู่ที่นี่คนที่แม่รักที่สุดอยู่กับแม่แล้วลูกคิดว่าลูกชายพูดแล้วหยุดคิดยังมีคนอีกจานวนไม่น้อยนะแม่ที่เขาไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ จะหาอาหารที่ใดมาใส่ท้องยังมีคนอีกมากล้นที่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะหาที่ตรงไหนซุกกายนอนจะหาหมอนนุ่มๆที่ไหนหนุนจะหาผ้าที่ไหนห่มให้อุ่นกายแต่เรายังไม่เป็นเช่นนั้นครับแม่ดีใจลูกรักที่วันนี้ลูกทำให้แม่เข้าใจแม่ภูมิใจที่แม่เลี้ยงลูกแล้วเติบโต ความสุขความทุกข์ของแม่อยู่กับลูกๆทุกคนครับแม่ลูกโตพอที่จะเรียนรู้และเข้าใจชีวิตได้แล้วใช่ลูกความสุขความทุกข์มีกับทุกคนแต่แม่ก็ไม่อยากให้ความทุกข์เกิดกับลูกรักของแม่เราห้ามไม่ได้หรอกแม่ทางที่ดีที่สุดก็คือต้องบอกความจริงให้ทราบเพราะวันหนึ่ง ต้องรู้ต้องเผชิญด้วยตัวเองพวกเรารับได้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม่ต้องบอกให้รู้เพราะทุกของแม่เป็นทุกของลูกทั้งสองคนแม่อยากเก็บทุกไว้ในใจคนเดียวนะครับแม่เข้าใจแม่ดีใจและแม่ขอบใจลูกรักของแม่มากแล้วสักครู่เธอก็ลุกขึ้นก้าวจับเตียง กระทั่งลูกแปลกใจว่าแม่กำลังจะไปไหนแม่จะไปไหนครับลูกถามแม่จะกลับบ้านแม่ไม่สบายพักผ่อนเธอครับแม่หายแล้วเธอพูดพร้อมกับรอยยิ้มที่งดงามโรคร้ายของเธอหายเพราะทิพยะโอสดของลูกเพียงไม่กี่คำนั่นเอง แล้วเธอก็ขออนุญาตคุณหมอกลับบ้านแม่ว่าความรักมีค่ากว่ามหาสมบัติความรักหายากกว่าทรัพย์สินเงินทองความรักเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แม่เป็นทุกข์เพราะรักแต่แม่ก็หายทุกข์เพราะรักนั่นเองขอให้เรารักกันให้มากนะลูกนะเพราะความรักเป็นทิพย์โอสด เธอกราบพร้อมอบกอดลูกทั้งสองไว้แน่นแล้วเธอก็หายโศกเศร้าเป็นปลิดทิ้งณวินาทีนั้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับปรุงวิถีชีวิตเริ่มต้นจากคนในครอบครัวยามที่เศรษฐกิจวิกฤตจิตใจต้องมั่นคงภัยอันร้ายแรงของชีวิต คือการขาดกำลังใจต่อกันขอให้เราทุกคนให้กำลังใจกันรักกันดูแลจิตใจซึ่งกันและกันให้มากแล้วเราจะรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีมุมน้อยๆที่สงบร่มเย็นรอเราอยู่